ส่วนเมื่อกี้นี้อาตมาพูดถึงว่านะประเภทหลงฐานสูงน ะ, ะกี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเราหลงฐานต่ำเป็นยังไงอย่างเช่นบางคนถ้าถือว่าไม่ชัดในเรื่องของฐานตัวเองบางทีมันหลงฐานต่ําอย่างนี้ตัวเองมีดีอยู่แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะทําให้ตัวเองสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกก็ได้แต่ว่าเพราะความที่ไม่พิจารณาหรือว่าไม่ทำมวิจัยให้มากๆนี่แหละก็เลยทําให้ ทำอยู่ในฐานที่ต่ํานั้นไม่คิดจะเลื่อนฐานตัวเองขึ้นไปที่จะทำให้มันสูงขึ้นทั้งๆ ท, ที่บางทีทํำยิยงๆก็ทําได้หรือว่าอาจจะฝืนใจหน่อยแต่ฝืนใจหน่อยแล้วก็ทําได้จะให้เห็นแต่เพราะว่าความที่ไม่ชัดใช่ไหมในฐานของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ชัดที่จะเลื่อนฐานของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยบางทีก็คิดว่าอาสมมตินะคิดว่าตัวเองอยู่ในฐานของโสดาแล้วก็จะเอาแต่โสดานั่นแหละ พอเป็นอย่างนี้อาจจะมาว่ามีไม่น้อยทีเดียวเนี่ยในในพวกเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเอาอย่างเช่นผู้หญิงบางคนยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเพราะฉนั้นก็จะยึดหรือว่าจะคิดอยู่ว่าเอาละเดี๋ยวถ้าเราเจอใครดีๆสักคนหนึ่งเนียนะเอ่อยิ่งๆบางทีนะไม่ไปหานอกวัดซะด้วยนะแหมดีๆนี่หมายถึงหาในวัดนะ ออย่างน้อยเราสินห้าได้อะไรอย่างนี้นะเอาละเจอดีๆอย่างเงี้ยเอาละชั้นฐานสินห้าคนนี้แหละรู้สึกว่าเหมาะ ก, กับชั้น <c oughs> เอาละ เ, เล็งไว้ละเล็งไว้ละนะได้เรื่องเดี๋ยวได้เรื่องแล้วก็คิดอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ยืดอยู่แต่อย่างเงี้ยไม่ยอมเปลี่ยนนะเพราะในที่สุดแต่ถ้า ม, มันไม่มันไม่เปลี่ยนนะในที่สุดก็เสร็จไม่ลอดหรอกมันจะไปไหนได้มันก็ต้องอยู่ฐานนี้แหละ เนี่ยคือการตั้งจิตไว้ผิดพระเจ้าท่านเคยท่านเคยกล่าวถึงคนที่ตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะตั้งจิตว่าอย่างเงี้ยจะเอาอยู่ฐานอย่างเงี้ยท่านเคยพูดถึงแม้แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยท่านพูดถึงแม้แต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยหรือว่าก่อนจะตายไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าทําบุญทําบุญอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อธิษฐานอธิษฐานชนิดที่เรียกว่าอธิษฐานเอาฐานที่เอ่อตัวเอง อยากจะมีอยากจะเป็นแล้วก็เป็นฐานต่ําด้วยนะไม่ใช่ฐานสูงทั้งที่ตัวเองสูงกว่า น, นั้นได้เพราะฉั้นไปตั้งจิตไว้ผิดอย่างนี้มันก็จะได้อย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะว่าจิตมันเองเป็ น, ป น, ปนตัวการนี่ใช่ไหมมันเป็นประธานมันเป็นใหญ่อยู่แล้วมันก็ไปตามไอ้สิ่งที่ตัวเองอธิษฐานไปอย่างนั้นแล้วก็ตั้งจิตไว้ต่ําอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นจริงๆเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เลย นะการตั้งจิตหรือว่าการอธิษฐานอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันต้องตั้งจิตหรือว่าอธิษฐานในสิ่งที่จะทําให้เราสูงขึ้นจเจริญขึ้นไม่ใช่ตั้งเสมอตัวนี่ยังใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านกระตัดไว้ว่าไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมนั้นอธิษฐานเสมอตัวนี่ยังใช้ไม่ได้เลยนะเพราะมันยังยังจะต้องอธิษฐานให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ต่ํากว่าเดิมอันเนี้ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครนี่ไปหลงฐานต่ําอาตมาถึงบอกในที่สุดมันลงต่ํา จะไปอย่างนั้นจริงๆแทนที่บันทีอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ใช่ไหมหมู่กลุ่มเขาก็พากันไปแล้วเขาสูงขึ้นเขาจะเริญนขึ้นแต่ตัวเองกับต่ําลงซึ่งมันมันกลายเป็นสวนสวนสวนทางกับหมู่กลุ่มแล้ว ท, ทั้งที่เราก็บอกว่ามีดิษมีมิตร ด, ดีมีสหายดีใช่ไหมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็จะพาให้เราเนี่ยสู่สูงขึ้นพรมจันร์นี่ก็หมายถึงว่าประพฤต ข้อประพฤติปฏิบัติที่ทําให้เราเนี่ยสูงขึ้นแต่นี่กับตาลปัดเราก็จะต่ําลงเมันให้เห็นเลยอาจมาถึงบอกไม่ว่าจะหลงฐานสูงเกินไปหรือว่าไปหลงฐานต่ำเกินไปมันให้ร้ายเราทํางา น, นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามชัดที่สุดว่าเราอยู่ฐานไหนกันแน่แล้วปฏิบัติทําไปให้มันพอเหมาะพอสมกับฐานเราซึ่งคนที่ปฏิบัติทําไดพพ้พอเหมาะพอพอเหมาะพอสมกับฐานเรานั่นแหละคนนั้นจะไปได้เร็วที่สุดจะไม่ช้าหรอก บาทีออฟไซด์เกินไปคือล้ําหน้าเกินไปนะอัตมาอย่างที่อัตมาบอกว่าบางทีฐานตัวเองแค่นี้บางทีเอาสมมติยังยังขีดความสามารถจริงๆยังมากินมื้อเดียวไม่ได้แต่ว่าแมถ้าถ้าถ้าใช้คําหนักๆนะมันขึ้นมานะคำหนักๆก็คือสะเออนะคำหนักๆก็คือสะเออไม่ไม่ได้แล้วคนอื่นเขาทามันได้ฉันไม่รู้อ่ะฉันจะเอาให้มันให้ได้นะจะเอามันให้ได้มากินเลย มาทําเลยมันบางทีมันก็ได้อยู่เหมือนกันน่ะแต่มันได้เท่าที่แหมกดข่มเอาไว้ได้แค่นั้นน่ะเพราะมันหมดฤทธิ์ที่กดข่มก็ล่วงคราวนี้ล่วงน่ะเพอๆหนักกว่าเดิมอีกไปเละหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะมันเกินฐานของคนนั้นเกินไปเพราะฉั้นถ้าใครเข้าใจเนี่ยก็พอเหมาผสมสิใช่ไหมบางคนจากไม่มีมืออย่างเงี้ยนะมาเชียวจะมาเหลือมือเดียวเลยแล้วบรารมีเก่าตัวเองก็ไม่มีอย่างเงี้ยถ้าใครมีบรารมีเก่าอยู่ เขาทำได้เลยอันนั้นก็เป็นบุญกุศลของเขาเป็นบารมีเก่าของเขาแต่บางคนมันไม่ได้นะบารมีเก่าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมาทําเลยเนี่ยมันพังมันก็ต้องค่อยๆลำดับเบื้องต้นทํากลางแล้วก็บ้านไปมันถึงจะทําให้คนนั้นเนี่ยไม่ทุกข์เกินไปไม่ลำบากเกินไ ป, ไลนไปแล้วมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้แหละมันถึงจะทาให้คนนั้นเนี่ยเป็นไปตามฐานหรือว่าเป็นไปตามฐานะแล้วก็จะทาให้คนนั้นนี่ ปฏิบัติธรรมได้เร็วด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยศรัทธาก็จะแข็งแกร่งอันนี้แหละสําคัญนะซึ่งทําให้เนี่ยอาตมาก็เลยนึกๆอยู่ว่าเออก็ลองพูดดูนะเผื่อว่าไม่แน่หรอกแม้บางทีนี่คนที่อาจจะอยู่นอกวัดมีโอกาสมาแค่วันเสาร์อาทิตย์นะหรือว่ามาแค่วันอาทิตย์ไม่แน่บางคนก็อาจจะปฏิบัติธรรมได้ดี เพรนั้นก็คิดว่าก็ลองพูดสู่กันฟังทั้งทั้งที่ที่จริงตั้งใจจะจะพูดวันเสาร์นะคิดว่าจะเทพแบบภายในมากกว่าแต่สมภารท่านบอกว่าไม่ท่านดูมินคนข้างนอกเกินไปอาตมาก็ไม่มีมาะออนะ <c oughs> องนะอาตมาก็เอาครับถ้าอย่างนั้นก็ตกลงเทพวาทิศกับาทิศเผื่อว่าคนนอกวัดบางคนอาจจะมีฤทธิ์มีแรงมีบุญบรารมีที่เข้มแข็ง อาจจะมีอยู่ก็ได้ก็เลยม า, ามาลองเทศดูนะส่อีกอีกอันหนึ่งที่อาตมาคิดในเรื่องของฐานนี่มันมีเหมือนกันาบางคนมาถามอาตมานะว่าเอบางทีนี่เขาตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้เขาคิดว่าเขาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าอธิษฐานไว้ว่าจะทาอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างเช่นนะอาตมาสมมติ เขาว่าพรุ่งนี้เนี่ย เ, เขาจะกินสองมือคือตอนคือสมมุติว่าคนนี้เนี่ยยังกิน อ, อิเลเคขาอยู่เขาตั้งิตว่าพรุ่งนี้เขาจะกินสองมือนะเขาจะกินอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วไปไ ป, ไปม า, ม า, มานี่ยปรากฏว่าพอถึงพรุ่งนี้จริงๆเขากลับเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ทําอย่างที่เขาคิดเขาเปลี่ยนใจนะเขาก็มาถามอาตมาว่า เอ๊อย่างนี้นี่ถือว่าเขาผิดหรือเปล่านะผิดสัจจะหรือเปล่าเพราะว่าเขาตั้งสัจจะไว้อย่างนั้นอาตมาก็ถามเขาว่าแล้วไอ้ที่คุณเปลี่ยนไปเนี่ยคุณเปลี่ยนดีกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะหรือว่าคุณเปลี่ยนแล้วมันแย่กว่าเดิมเขาก็บอกว่าไอ้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเขามาวัดใช่ไหม <c oughs> เขามาวัดอ่าแล้วก็มาวัดนี่ที่วัดนี่เลี้ยงมือเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกินมื้อเดียว อาตมาบอกอ้าอย่างนี้สัจจะนี้มันก็ดีกว่าเดิมสิสัจจะใหม่นี่มันดีกว่าสัจจะเก่าที่คุณยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นสัจจะใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราก็ถือว่าอ้ามันก็ดีกว่าเดิมสิคุณจะไปนึกว่าคุณผิดสัจจะอะไรอ่ะของเก่าของดั้งเดิมที่คุณตั้งเอาไว้ได้ยังไงเพราะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมันก็มีสัจจะเก่ากับสัจจะใหม่ที่เกิดขึ้นว่าอันไหนนี่มันเป็นยังไงแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเราเห็นว่าอธิษฐาน ก, ก็ตามการตั้งจิตก็ตามการถือศีลปฏิบัติธรรมก็ตามถ้าสัจจะใหม่ที่เกิดขึ้นนี่มันดีกว่าเดิมมันประเสริฐกว่าเดิมมันสูงวกว่าเดิมแล้วเราก็ทําได้ด้วยนะนต้องหมายถึงว่าเราทําได้ด้วยนะถ้าทําไม่ได้นี่บางทีนี่อาตมาบอกแล้วมันก็เก็บกดไว้มันมีโอกาสพังได้แต่ถ้าเราแน่ใจว่าเราทําได้แล้วมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยถ้าสัจจะใหม่ที่เกิดขึ้นดีกว่าเดิม อ้าวใช้ได้แล้วอย่างนี้ถูกต้องยกเว้นว่าถ้าสัจจะใหม่ที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าแทนที่จะเอามาวัดใช่ไหมก็กลับไปดูหนังดูละครไปเที่ยวเตะไปอะไรที่มันแย่กว่าที่ตัวเองตั้งเอาไว้ถ้าอย่างนี้เรถือว่ามันต่ากว่าเดิมใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถือว่าสัจจะใหม่นั้นมันแย่กว่าเดิมนั้นถ้าใครไปเปลี่ยนเอาสัจจะใหม่คนนั้นก็ ผิดสัจจะเพราะว่าสัจจะนี่มันเป็นความจริงใช่ไหมความจริงนี่มันไม่อาตมาหมายถึงว่าความจริงที่ถูกต้องด้วยความจริงที่ประเสริฐด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติถ้าใครเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าอาตมาก็ถือว่าเป็นสัจจะที่ดีกว่าที่สูงกว่าเพราะนั้นอาตมาก็ไม่ถือว่าเออก็ไม่ถือว่าผิดอะไรหรอกนะแต่ก็ระวังนะบางทีก็ไปตีกินกันก็เยอะนะเพราะว่าไอ้ที่ ไอ้ที่เปลี่ยนไปนี่คือบางทีก็อยากเปลี่ยนตามกิเลสอ่ะนะไอ้รูปนอกที่บางทีมันดูแล้วมันสูงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วแหมกิเลสมันเรียกร้องเต็มที่เลยแล้วก็เลยไปทําอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันเราเองว่าไอ้ศัสจาใหม่เนี่ยมันมันดีกว่าของเดิมแน่แน่หรือเปล่าซึ่งอันนี้อาตมาเองก็เคยเหมือนกันนะ่ะมีหลายครั้งคือมาอยู่ที่มาปฏิบัติธรรมที่สันติเนี่ย หรือว่ากับพวกชาวโศกนีนะเห็นเลยว่ามีหลายเรื่องมีหลายอย่างที่เรายึดยึดเอาไว้เนี่ยนะที่เรายึดสัจจะเก่าของเราเอาไว้เนี่ยว่าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วยึดไว้อย่างี้แล้วเนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยนอ่ะถ้าเปลี่ยนนี่เราถือว่าเราผิดสัจจะนะก็ไม่รู้นะมานะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่บอกว่าไม่รู้ว่ามานะหรือเปล่านี่หมายถึงว่า ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมานะเลวหรือมานะดีเพราะมันอยู่ที่สัจจะใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะอย่างเช่นอาตมาเคยเคยพูดอยู่เหมือนกันว่าอาตมาเคยตั้งจิตว่าอาตมาจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ที่นี่นะหรือว่าจะมาขอพ่อท่านบวชเนี่ยต่อเมื่อโยมพ่อโยมแม่อาตมานี่เสียไปแล้วทั้งสองคนเพราะว่าไม่อยากให้ท่านเสียใจดังอาตมาถึงจะมาแต่พอยมพ่ออาตมาเสียไปไปก่อนแล้วไปท่านหนึ่งแล้วเนี่ย หรือแต่โยมแม่นี่อาตมาถึงโอ้โหโอไอสัจจะเก่าที่เราคิดไว้นี่ใช้ไม่ได้เลยนะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอาตมาเปลี่ยนนะมาเลยรีบพยายามหาทางที่จะอะไรอ่ะผ่อนคลายตัวเองสะสาร ง, งานแล้วก็มาอยู่วัดนะเพื่อที่จะมาเอาสัจจะใหม่ที่คิดว่าดีกว่าอันนั้นมันก็ระดับที่ตอนนั้นยังเป็นคราวาสปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านอยู่แต่พอมาอยู่วัดครานี้ เราปฏิบัติทําไปเนี่ยมันก็มีตัวยึดของเราอีกนะที่เรายึดว่าอย่างงี้แหละเราว่ามันดีละเราว่ามันถูกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นวินัยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันก็ยึดไปตามความรู้สึกตามความนึกคิดของเราเรายึดว่ามันดีเรายึดว่ามันถูกเสร็จแล้วปรากฏว่าบางทีเอเพื่อนฝูงเขาก็ไปทําอย่างที่เราคิดเอาไว้นะเพื่อนหรือว่าบางทีอาจจะน้อยคนก็ตามหรืออาจจะมากคนก็ตาม เ้าก็ทําไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะถ้าเป็นสายโทรศาก็อาจจะรู้สึกหยุดหยิดลาคาแล้วไม่พอใจไม่ชอบใจถ้าอาจจะเป็นสายลาคาก็อาจจะรู้สึกน้อยใจบ้างนะรู้สึกรู้สึกท้อแท้บังว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับเราคิดไว้เลยนะหรือถ้ามานะมันขึ้นถ้ามานะเรามันขึ้นก็เฮ้ยไม่ได้แล้วช่างเถอะใครยังไงก็ช่างเราก็จะเอาอย่างที่เรานึกคิดอันเนี้ย เราจะไม่เปลี่ยนมันเหมือนกับอะไรอ่ะมาเคยอ่านในพระไตรปิฎกนี่มีเถระรูปนึงท่านเคยเล่าเรื่องของไอความยึดอย่างเงี้ยนะสมาก็จํานเรื่องทั้งหมดไม่ได้ละจําได้แต่หลกัหลกๆเท่านั้นเองจําได้แต่แก่แกนๆของมันคือมันมีผู้ชายอยู่สองคนเดินทางกลับบ้านจากเมือ ง, เ ม, องเมืองหนึ่งจะไปที่บ้านอีกเมืองนึ่งระหว่างทางที่เดินทางกลับเนี่ย ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมาเจอมาเจอกับอะไรนะพวกมันเป็นเหมือนเหมือนปนุ๋ยเนีเขาเรียกอะไรมูลวัวอะไรที่ไปใช้เป็นปุ๋ยต้นไม้เนี่ยนะเป็นพวกขี้วัวขี้ควายอะไรพวกเนี้ยนะใส่กระสอบอยู่มันก็ไม่มีใครก็ทิ้งไว้อยู่สองคนนี้ก็เป็นเหมือนกับเนี่ยแหละก็เหมือนกับชาวไร่ชาวนาอะไรเนี่ยก็เห็นว่าเออมันก็เป็นประโยชน์ดี ก็เลยคิดว่าเอาละจะแบกกันคนละก็สอบนะเอากลับบ้านเสร็จแล้วในขณะที่แบกๆอยู่เดินทางกลับบ้านนี่ก็ปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอเอาผ้านะผ้าเนื้อดีแผ่พันชั้นเยี่ยมเนี่ยอาจจะเป็นพ่อค้าที่ไหนมาทำตกไวใช่มพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออคนหนึ่งนี่เห็นว่า เออเราควรจะเปลี่ยนนะเราควรที่จะเอาผ้านี่กลับไปดีกว่ามั้งเพราะว่าค่าผ้านี่มันเอาไปฝากคนที่บ้านหรือว่าเอาไปขายก็ได้ราคาดีกว่าใช่คนหนึ่งก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนความนึกคิดที่ตัวเองเนี่ยยึดเอาไว้ส่วนอีกคนหนึ่งก็โอ้โหอุตส่าห์แบกไอไอปุ๋ยเนี่ยี่ีวัวขี้ควายเนี่ยมาตั้งไกลแล้วเหนื่อยก็เสียเวลาไปตั้งเยอะแล้ว ใช่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าโอ๊ยไม่เปลี่ยนนะไอ้แค่ผ้าอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะใช่ไหมเราแบกของเราต่อไปดีกว่าชายชายคนนี้ก็แบกต่อไปแล้วระหว่างการทาง น, นี้ก็เจออะไรอีกตั้งเยอะแยะนะ่จนในที่สุดก็ไปเจ อ, อพวกเพชรพลอยหรือว่าพวกทองคำอะไรพวกนี้เป็นของที่มีค่าขึ้นไปอีกชายคนที่เจอของใหม่ ที่รู้สึกว่าเออไอ้นี่นี่มันมีราคากว่าเดิมสามารถจะปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมใช่ไหมก็เปลี่ยนอีกก็เอาของใหม่ที่มันดีกว่าเดิมเนี่ยเปลี่ยนใช่ก็เอาพวกเพชรทองอะไรเนี่ยใส่กระสอบแล้วก็แบกกลับส่วนผู้ชายคนที่แบกไอปุ๋ยขีบั ว, วขีควายมาเนี่ก็แบกต่อไปอีกนะเพราะก็มีความคิดอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่า อุตสาแบกมาตั้งนานแล้วไอ้นี่เป็นของของเราเราแบกมาตั้งนานแล้วไอ้พวกเพชรทองพวกนี้โอ๊ยนะมันของใหม่แล้วมันก็อะไรอะแบกถ้าจะเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกว่าแหมเราสายึดมาตั้งนานแล้วไอ้ที่เรายึดเอาไว้เนี่เปลี่ยนไปก็เสียหน้านะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เอาก็แบกไอ้ขี่วัวี้ควายเนี่ยต่อไปก็เดินทางกลับมาพอจวนจะถึงบ้านเนี่ย ก็มีฝนตกพอฝนตกเสร็จปรากฏว่าไอ้น้ํามันก็เปียกกระสอบหมดไอ้ขี้วัวี้ควายนี่ก็เลอะไหลลงมาเลอะตัวชายที่ที่แบกกระสอบอันเนี้ยใช่ไหมชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านเขายังบอกว่าโอ้ยน้ำสกรปรกมันเลอะหมดแล้วละไปหาเอาใหม่เถอะไอ้นี่ทิ้งไปเถอะนะไอ้ในกระสอบเนี่ยมันเละหมดแล้ว นะแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปกับน้ําอะไรต่ออะไรตัวเนี่ยสกรปรกหมดแล้วพอเหอะชายคนนี้ก็ยังไม่ยอมทิ้งก็ยังคงแบกต่อไปนะส่วนคนที่ได้เพชรทองก็ยังคงแบกเพชรทองของเขาต่อไปจนกระทั่งไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านเขาก็เอาเอาแจกจ่ายให้ครอบครัวนะเอาไปใช้สอยเอาไปทําประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวก็มีความสุขเสร็จแล้ว ชายคนนี้พอแบกกลับไปถึงบ้านนะก็ได้เหมือนกันเนะ่ยมันก็ยังมีเหลืออยู่ก็เอาเอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้เอาไปทําประโยชน์อะไรแต่มันก็เหลือนิดเดียวประโยชน์ก็ประโยชน์น้อยตัวเองก็สกรปรกเหม็นพอไปถึงนี่คร อ, อบครัวก็ถามดูว่าทําไมอย่างนี้แหละรู้เรื่องพอทางครอบครัวรู้เรื่องใช่ไหมนี่ก็เล่าให้ฟังพอเล่าฟังเสร็จโอ้ก็โดนด่าเละ นะว่าโถงโอ่แบกมาอยู่ได้แบกไปทําไมทั้งโสกโปกทั้งเหม็นทำไมไม่ไม่เอาของที่มันดีแล้วก็ของที่มันมีค่ากว่านี้มาใช่ไหมนี่แหละเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าจุดสําคัญก็อยู่ที่จุดนี้ว่าบางทีเราก็ยึดอะไรที่มันมันไม่เข้าท่านะแต่เราคิดว่ามันเข้าท่าอ่านะเราก็ยึดอยู่อย่างนี้นเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่เหมือนบางคนนะศีลตัวเองสูงขึ้นกว่า น, นั้นก็ได้ นะเราก็ยืดอยู่แต่ไอ้เท่านั้นน่ะไอ้ที่มันดีกว่านั้นเราก็ไม่เอานะเราก็ไม่รู้ว่าจะรอวันเวลาไหนหรือว่าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนะี่ยอันนี้แหละก็เป็นอันหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นว่าสัจจะใหม่นะกับสัจจะเก่าถ้าสัจจใหม่นั้นมันดีกว่าเดิมอาตมาคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนเธอนะแม้ว่าบางทีมันอาจจะฝืน กิเลสเราอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราพอจะมีดวงตาที่จะเห็นว่ามันดีกว่าเดิมเราก็น่าจะเปลี่ยนอาตมาเองเอคิดว่าวันนี้ที่แสดงทำมานะก็ตั้งใจจะพูดที่จะให้พวกเราเนี่ยพยายามที่จะให้ชัดในฐานของตัวเองแล้วก็ให้พยายามที่เราลอง เลื่อนฐานของตัวเองโดยที่ก่อนที่เราจะเลื่อนฐานตัวเองได้เนี่ยเราต้องรู้ชัดตําแหน่งที่ตั้งหรือว่าฐานะของตัวเองเนี่ยให้ดีก่อนหาจุดพอเหมาะของตัวเองเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นไปซึ่งสิ น, นี้แหละที่จะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยจะพากันไปสู่สูงเพราะไม่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะสวนทางกันเพราะความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรายึดเอาไว้แล้วเราคิดเอาไว้เนี่ยมันจะชนกันแล้วมันก็จะกระแทกกันเพราะอันนี้อาตมาคิดว่าที่แสดงธรรมวันนี้ก็มีจุดแล้วก็มีเจตนาอันนี้ที่อยากจะออบอกกล่าวกับพวกเราก็ขอลงท้ายด้วยคําที่อาตมาได้กล่าวออกไปแล้วว่าหัวใจที่ชัด ก็จะต้องมาจากธรรมะที่ชัดธรรมะที่ชัดก็จะได้ด้วยการที่เราปฏิบัติได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนี่แหละที่จะทำให้ใจเราไม่ช้ำเอวัง